คนว่ากูดีก็มีคนว่ากูไม่ดีก็มีแต่ว่าอย่าไปหลงเขาว่าดีก็ช่างเขาครับเขาว่าชั่วก็ช่างเขาครัดีหรือชั่วมันอยู่ที่ตัวของตัวเองเําว่าดีก็ช่างเขาคนมายองยองเถื่อนเยืนยอก็มีครับแต่ว่าเราจะไปดีใจครับเขาว่าชั่วก็จะเสียใจคครรัับบนี่ ช่องเดินคมันไปอย่างนี้ครับสฟอกครับ